บ o ๊กทูหกสิบหกตัวจีเชระฮะระสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งยาฮ์ัจอาาบชะยาอา์ดีฉัน ของดิฉันซเซซีซซซีดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบซิอุนชิบเซซูโตทิจเรบซิอุนชิบเซซโติจเรบดิฉันหาตั๋วรถของดิฉันไม่พบซิบิเลตซตทิจเรบซิเลตซูโติจเรบ คุณของคุณววววววคุณหากุญแจของคุณเจอไหมวิอุนชิบเซบรอเจวอุนิบเซบรอคุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมวิบิลเลตบรอเจวบิเลตบอรา เขาของเขา R H R H คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน H E u n c i b z e z d e s h r s a H u n c i b z e z d s h i r USA คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน อาชีบิเลตสุดท้ายหรือว่าเธอของเธอฮาร์อา а ีฮาร์อาชีเงินของเธอหาย ลบาบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยยูเครดิตการ์ดจีเชือปเครดิตการ์ดจีเชือปเราของเราเธอเตีเธอเตีคุณปู่คุณตาของเราไม่สบายจิตต์เธอเธจึงสมัจ จตต์ึมัจคุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดีจนานศตจนานะศเ ต, นนตคุณหนูของหนูเซซซีเซซซีเด็กๆ คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนเจเลตซุ์ตตดชิเด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนเจเลซุคค์ฮ์สวีนททเดชิ